ขอนอบน้อมพระธรรมด้วยขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยด้วยความเคารพเพื่อเพื่อขอความเจริญในธรรมจงมีแด่พุทธบริษัททั้งหลายขอโอกาสในการขอโอกาสคณะสงฆ์ในการกล่าวพระธรรมนะครับในวันนี้เราท่านทั้งหลายได้มารวมกันในการที่จะไปศึกษาคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มเมื่อช้าในพูดถึงในเรื่องของพระสูตรแล้วก็พูดแนวทางในการที่จะให้เราท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติกันมาในคราวนี้เรามาศึกษากรรมฐานกันโดยเฉพาะก็คือเอาสพักะกรรมฐานที่เรียกว่าอารักกรรมฐานนี่แหละเป็นกรรมฐานเป็นเครื่องรักษาตนกรรมฐานที่เป็นเครื่องรักษาผู้ปฏิบัติ ให้สงบระ ง, งับและให้ตั้งอยู่ด้วยความไม่ประมาทท่านจัดชุดขึ้นมาภายหลังตามอัจถริยะเป็นสี่อย่างด้วยกันก็มีพุท ธ, ธานุสติเมตตากรรมฐานวรณานะสติและอสุภะกรรมฐานที่จริงกรรมฐานในลักษณะอย่างนี้ที่เรียกว่าอารักกรรมฐานก็คือกรรมฐานที่ไว้คอยอรักขาผู้ปฏิบัติหรือผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นนะ ไม่ให้ตกลงไปอยู่สู่ความประมาทก็คือรักษาผู้ปฏิบัตินั้นให้ปลอดปลอดภัยจากโทษในสังสารวัตรเป็นต้นหรืออีกอย่างหนึ่งเรียกว่าสัพพะตะกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่จําปาฐานในกิจทุกอย่างเราขับเน้นเรื่องเมตตาพรหมวิหารใช่ขับเน้นในเรื่องของการเจริญเมตตาแล้วก็พูดในเรื่องเมตากันมาอนค่างมาก พอจะขับเน้นเมตตาและเดินเมตากันได้แบบจริงจงจังๆบ้างหรือยังเมื่อเช้ายังไม่จบมเมื่อเจ้าพูดในเรื่องของพระสูตรในมัชฌิมนิกายเนะยาะในเรื่องของกะกะจูปมัสสูตรกกจูปมัสสูตรว่าโดยอุปมาเรื่อยๆยังไม่ถึงอุปมาเรื่อยๆก็พูดถึงในเรื่องของสมัยที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เชตวันเะนี่ยแล้วที่พระพุทธเจ้าก็พูดอุบายในการที่จะ ระ ง, งับความโกโรธใช่ไหมก็พูดถึงยกตัวอย่างนางเวเทหิกาที่มีคนใช้ชื่อว่ากาลีพอจำได้ไหมพอจะจำได้นะทีนี้ประเด็นมันก็อยู่ตรงที่ว่านางเวเทหิเนี่ยเป็นบุคคลที่สงบส ง, งียมเจียมตนใจเย็น คือพฤติกรรมที่แสดงออกมาภายนอกเนี่ยเรียบร้อยมากสีหน้าแววตาก็ผ่องใสเกลีย ม, มันยากก็เรียบร้อยใช่ไหมเป็นคนจนเขาลือกันทั้งกรุงราชเครือว่างั้นลือกันเลยว่าโอ้โหในบรรดาบุคคลที่เยือกเย็นบุคคลที่มีคุณธรรมบุคคลที่มีคนใจดีทั้งหลายไม่มีใครเกินนางเนี้ยนางเวทีกาเนี่ยลือจนว่าคนใช้สึกนางกาลีเนี่ยคนใช้เนี่ยอยากจะพิสูจน์ ว่านายอ่ะนายหญิงของตนเองเป็นคนที่มีบุคลิกภาพแบบเนี้ยเป็นผู้ที่มีจิตใจเยือกเย็นเจียมเนื้อเจียมตัวเป็นความมีเป็นคนที่มีความอดทนไม่แสดงความโกรธออกมาเนี่ยเป็นเพราะอะไรกันแน่ก็เลยพิสูจน์ใช่ไหมพิสูจน์อยู่กี่ครั้งสามครั้งแปลว่าทำไมต้องพิสูจน์ทั้งสามครั้ง เพราะอะไรทำไมต้องพิสูจน์ทังสามครั้งครั้งเดียวไม่รู้เลยที่จริ ง, งานางกาลีเนี่ยต้องการอยากจะเห็นว่าเจ้านายหรือนายหญิงของตนเองเนี่ยสามารถระ ง, งับความโกรธได้ไหมใชม่เพราะครั้งแรกจริงๆก็เพียงแต่กล่าวว่าจะหยับหยบออกมาเท่านั้นเองมีหน้านิวคิ้วขมวดแล้วก็กล่าวว่าจะหยับหยาออกมาไม่ถึงขนาดแต่พอครั้งที่สองเจอเข้าไปเนี่ยโอ้โหไม่ใช่หยาบอย่างเดียวแล้ว มีการด่าบริภาทเรียกเฮ้ยอีกาลีทำไมมึงเข้าไปเองทำไมถึงนอนเติดสายอย่างนี้เป็นตะแต่ว่าครั้งที่สมเป็นยังไงโอ้โหหนึ่งจิตแ ป, ปรปลวนด้วยสองหน้าเนี้ยคิ้วขมวดค้างสันก่าวาจาหยาบแล้วก็คว้าเอาลิ่มสลักจากประตูคว้างเลยเป็นยังไงผลปรากฏชื่อเสียงที่ได้มาเป็นยังไง ที่เขาพากันลือก็หายเกลี้ยงเลยอันตรธานฉับพลันเลยถ้าถ้ามีใครมาพิสูจน์พวกเราขนาดนั้นเนี่ยจะต้องให้พิสูจน์ถึงสามครั้งไหมกี <c oughs> ค่ครั้งครั้งเดียวเองใช่ไหมแสดงว่นานางกาลียังมีความอดทนทพระพุทธเจ้าก็เลยยกเรื่องนี้ขึ้นมาบอกว่าพระภิกษุเนี่ย ภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาลิกาพุทธ บ, บริษัทของพุทธเจ้าเนี่ยที่ดูอาการสงบสงี่ยมดูเจียมเนื้อเจียมตัวดูคนดูกิริยามัญญาดูเหมือนเป็นคนเยือกเย็นดูเหมือนมานั่งสงบสงี่ยมหน้าตา am, ยาิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยเพราะได้อากาศดีจึงยิ้มแย้มแจ่มใสพราะได้เสนาสนะที่ดีจึง am, ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะได้อาหารที่ดีจึง am, ยิ้มแย้มแจ่มใสดูสงบสงี่ยม พรออได้เครื่องนุ่งห่มที่ดีจึงยิ้มแย้มแจ่มใสสงบเสงี่ยมเพระาะได้ยารักษาโรคที่ดีจึงยิ้มแย้มแจ่มใสพราะได้คำพูดที่ดีจึงย้มแย้มแจ่มใสสงบเสงี่ยมลักษณะอย่างเนี้ยังไม่ชื่อว่าเป็นผู้ที่น่าสรารเสริญว่าเป็นผู้สงบเสงี่ยมได้จริงถ้าหากได้ตรงกันข้ามเช่นได้อากาศร้อนร้อนสี่สิบองศาก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสได้เศนาสนะที่รกรุงรังก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใส ได้เครื่องนึ่งห่มที่นอนที่ไม่ได้เรื่องได้ราวก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสยอยู่แม้ได้คําพูดได้อาหารได้สภาพ ส, สิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นไปอย่างที่ตนเองปรารถนาเลยก็ยังสงบสงี่ยมเจียมตนจิตเยือกเย็นแล้วก็ยอมรับได้ด้วยปัญญามีขันติเป็นตัวกํากับในกระแสชีวิตในกรณีอย่า ง, น, า น, างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ขัดเกลาจริงๆเนี่ยชื่อว่าเป็นผู้สงบสงี่ยมจิม จริงเจียมเนื้อเจียมตัวจริงแล้วก็อดทนได้จริงมีจิตที่เยือกเย็นได้จริงตรงนี้ยอมก็อยากจะพิสูจน์พระสงฆ์องค์พระเจ้าได้ไหมแบบเนี้อย่าพิสูจน์ที่ตรงนี้เลยนะไปพิสูจน์ที่อเออตรงนี้ก็เป็นเรื่องข้อคิดนะถ้าเราเดินตากแดดไปเนี่ยมันยังจะยิ้มแย้มแจ่มใสไหมเนี่ยเครียดไม่เครียดถามจริง ถ้าเจออากาศร้อนแบบนี้ประเภทที่เกือบจะ40องศายังจะข อ, ขอใหสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขเถิดได้อยู่ไหมจิตยังผ่องใสอาหารล่าเริงสดชื่นไม่สะทกสะทานไม่หวั่นไหวกับอากาศที่ร้อนนี่เลยไม่ทำโทสะจิตความหงุดหงิดความพุ่งสร้างทั้งหลายให้เกิดขึ้นเลยทำจิตประดุ ด, ดังแผ่นดินคือในภาษาความอดทนมีอดทนแบบตั้งรับแบบอก อดทนแบบบุกฝ่าใช่ไหมถ้าแบบตั้งรับก็นี่แหละทำจิตประดุดดังแผ่นดินนี่ที่พระเจ้ายกตัวอย่างบอกว่าอูบายระงับความโกรธเนี่ยถ้อยคำที่บุคคลอื่นที่จะพูดกับเธอมีอยู่5ประการในโลกนี้หพูดในการที่สมควรหรือไม่สมควรใช่เขาจะสมควรพูดเวลานี้หรือไม่สมควรพูดในเวลานี้มันก็มีแค่นี้เองอประการที่1สองพูดเรื่องจริงหรือเรื่องเ ท, ท็จ 3ก็คือพูดอ่อนหวานหรือพูดหยาบคาย 4. พูดมีเหตุผลและไม่มีเหตุผล 5. พูดด้วยเมตตาจิตและพูดด้วยโทสะจิตในโลกใบเนี้ยมีอยู่แค่นี้แหละที่เขาจะพูดกันเขาจะแสดงต่อกันในพฤติกรรมที่ออกมาทางวาจาทีนี้บุคคลที่พูดกันหรือว่ามีการสื่อสารกันก็มีลักษณะแบบนี้แหละพูดถูกการไม่ถูกการพูดจริงและพูดเท็จพูด อ่อนหวานและหยาบคายพูดมีเหตุผลและไม่มีเหตุผลพูดด้วยเมตตาจิตและพูดด้วยโทสะจิตอย่างที่ได้บอกไว้แล้วว่าเวลาคนพูดด้วยโทสะกับเรากับพูดด้วยเมตากับเราเนี่ยเราชอบอยังไงชอบให้คนพูดเมตตาใช่ไหมถ้าเราเกลียดใครเราโกรธใครเนี่ยเราอยากให้คนคนนั้นเนี่ยหรือเราอยากจะพูดกับคนนั้นด้วยเมตตาหรือด้วยโทสะ เราก็อยากจะพูดทิมพูดแทงเขาใช่ไหมคือคนส่วนใหญ่ก็คือใช้ปากเป็นหอกเที่ยวไปทิมคนอื่นแล้วดูเหมือนจะมีความสุขยอมมีความสุขไหมพูดรู้สึกเหม่ อ, อยากจะแทงให้มันเต็มที่เลยพูดรู้สึกว่ามันหาคําพูดสรรหารู้สึกพูดไปรู้สึกมันบาดใจเลยนะแบบเหมือนฟันเข้าไปในร่างเขาอะไรเงี้ยเป็นต้นยอมเคยคิดแบบนี้ไหม จะหาคําพูดอะไรดีนะพูดที่มันเจ็บเจ็บสักหน่อยเคยไม่เคยถามจริงเคยจะไหมการที่คิดอย่างเนี้ยคิดจะเอาโทสะไปแทงเขาเราต้องการอยากจะพูดให้เขาเจ็บใจจะไหมหรือต้องการเอาคําพูดไปพูดให้เขาอะไรเ ร, เราเราโกรธอะไรเขาเราโกรธรูปประคันเขาหรือเปล่าหรือโกรธเวทนาขันเขาหรือโกรธสัญญาขันสังขารละขันหรือวิญญาณขัน คือกระแสชีวิตของมนุษย์มันมีสอง ส, ส่วนส่วนที่เป็นรูปธรรมกับ น, นามธรรมเราโกรธนามธรรมเขาใช่ไหมหรือโกรธรูปธรรมหรือโกรธทั้งหมดที่เป็นเขาเวลาเราจะพูดเนี่ยเราจะเอาไปทิมเขาตรงไหนอ่ะต้องการจะทิมอะไรเขาทิมที่ใจเขาเลยเวลาความโกรธมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเล่นงานใครก่อนนี่เห็นไหมความไม่ฉลาดก็เล่นตัวเองก่อนเละเทะก่อนพาดกั้นเถอะ เหมือนการที่เราจะกำอุจฉะขึ้นมาเพื่อจะไปคว้างใส่หน้าคนอื่นมือใครเพื้อนก่อนเราก็มีเขาคิดว่าไม่เป็นไรหรอกเราเพื้อนแค่มือเราจะคว้างหน้ามันก็<笑><笑>เลยกลายเป็นแบบนี้ก็เนี่ยไปไปมาๆก็เลอะเทอะใช่ไหมตรงนี้แหละที่บอกว่าท่านให้ทําใจประดุดดังแผ่นดินทําใจให้หนักแน่นเหมือนแผ่นดิน อุปมาเหมือนกับบุรุษถือเอาจอบและตะกร้ามาแล้วก็พูดอย่างนี้ว่าเราจะทําแผ่นดินใหญ่นี้ไม่ให้เป็นแผ่นดินเหมือนไปเลยดิพระก็ดีโยมก็ได้ไปแล้วโกรธแผ่นดินเราจะเอาจอบไปเอาตะกร้าไปแล้วก็ไปขุดแล้วก็เอาเอามาใส่ตะกร้าเราจะทําลายแผ่นดินไม่ให้เป็นแผ่นดินถามว่าความเพียรพยายามของบุรุษคนที่จะทําลายแผ่นดินไม่ให้เป็นแผ่นดินเนี่ยเหนื่อยเปล่าไหม ทำยังไงสามารถทำแผ่นดินไม่ให้เป็นแผ่นดินได้ไหมเอาอุจจาระไปลาดรถเอาไฟไปเผาสารพัดเอขาดเสลยถ่ายปัสศวะถามว่าแผ่นดินสโทกสถานหว่นไหวไหมไม่สะทกสถานไม่ห ว, นว่นไหวแม้ชั้นใดฉะนั้นถ้าถ้อยคำบุคคลที่พึงจะกล่าวกับเราก็คือพูดถูกการหรือไม่ถูกการพูดคาจริงหรือคาเท็จ พูดอ่อนหวานหรือหยาบคายพูดมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลพูดด้วยเมตตาจิตหรือพูดด้วยโทสะจิตเราก็ตั้งจิตของเราทาแผ่นอุปมาเหมือนกระดังแผ่นดินว่าเราจะทำจิตของเราเนี่ยให้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไปะดย ด, ดังแผ่นดินไม่สะทกสถานไม่หวั่นไหวตั้งมั่นดุดแผ่นดินนั่นแหละมีอาโทสะมีความไม่โกรธมีความอดทนมีความอดกลั้น และมีสภาพจิต ท, ที่ผ่องใสเ ย, ยือกเย็นเบิกบานเหมือนแผ่นดินเนี่ยทำได้ไหมเอาแผ่นดินมาระลึกเป็นข้ออุปมาในการกระทํพทาพระเจ้าสอนพระให้ให้ฝึกจิตแบบนี้เพราะกระแสชีวิตเราต้องเจออย่างนี้แหละวันวันหนึ่งเนี่ยเราจะเจอคนเนี่ยพูดถูกการบ้างไม่ถูกการบ้างจริงไหมพูคําจริงคําเท็จบ้างโพูด อ่อนหวานหยาบคายบ้างพูดมีเหตุมีผลไม่มีเหตุมีผลบ้างแล้วก็พูดด้โทสะแล้วก็พูดได้เมตตาบ้างอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเลยเอาเวลาพระมาพูดเนี่ยยอมว่าฉันเนี่ยกำลังพูดอยู่พระกำลังพูดอยู่เนี่ยเนี่ยพูดถูกการหรือไม่ถูกการถูกหรือไม่ถูกถูกการใช่ไหเพะเมื่อกี้ยอมมาลัทนาเลยถูกการสองพูดจริงหรือเท็จพูดจริงใช่ไ พูดอ่อนหวานหรือพูดหยาบคายพูดมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลพูดด้วยเมตตาจิตหรือพูดด้วยโทสะจิตรู้ได้ยังไงฉันอาจจะเครียดก็ได้นีแต่จริงๆริงฉนพยายามขับนี่แหละพยายามขับเน้นในการที่จะทำให้เมตตาเกิดเพราะฉันตั้งจิตว่าฉันจะทำให้เมตตาวาจี ก, ก, รกรรมเกิดถ้าทาเมตตามโนกรรมทำยังไงฉันก็นั่งเฉยเฉยแล้วก็มองทาปญะาจักสูให้ตั้งขึ้น เข้าใจคำว่าปียกจากสูัม้มพยักหน้าแปลว่าอะไรทำยังไงปียะจากสูลองทําให้ดูสิให้ให้เมตตาเกิดที่ใจแล้วก็มองมองด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีด้วยความเาื่อทอนแล้วก็คิดให้ท่านผู้นั้นมีความสุขมีอายุยืนคิดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี คิดให้ปรารถนาสิ่งใดก็ให้สมปรารถนาคิดให้มีงานมีเงินพึ่งตนเองได้ในด้านเศรษฐกิจและสังคมคิดให้มีเกียรติยศชื่อเสียงเป็นที่นับหน้าถือตาในสังคมคิดให้เขามีครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขสมัครสมานสามัคม ค, คีอย่างเงี้ยคิดให้เขาได้ประโยชน์ปัจจุบันนี่สูงสุดตามที่เขาจะพึงได้ตามกรรมที่พึงกระทํานั้นนั้นคิดอย่างเงี้ยเมตตาออกเรียกเขาเรียกปียะจักสุขอันนี้เป็นเมตตามโนกรรม แต่ถ้าพูดแล้วให้เมตตาก่อนจะพูดให้เมตตาเกิดก่อนแล้วก็ผักคำพูดออกมานะพูดด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีด้วยความเอื้อทรร น, นี่เขาเรียกว่าเมตตาวจีกรรมถ้าเมตตากายกรรมทำยังไงดีทำยังไงดีเนละยยอมก็ถือน้ำมาเอามาให้สมมุติอย่างเงี้ยนะีในขณะที่ให้นั้นทาเมตตาเกิดด้วยนะ ไม่ใช่ว่าตึ้งตึ้งตึงตึงมางั้นนะเมตตาเกิดแล้วก็น้อมวันเนี่ยขอให้นึกในใจอย่างนี้นะว่าขอให้ท่านจงได้น้ําไปหล่อเลี้ยงกระแสชีวิตให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีให้ร่างกายแข็งแรงมีความสุขมีอายุยืนนะแล้วท่านจะได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเบ็ดเสร็จแล้วได้ดื่มน้ํานี้ไปแล้วท่านจะได้คิดอัตถธรรมะของพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าได้ทะลุทะลวง ท่านจะได้แทงตลอดสัจจะสี่ลพ้นจากกิเลสและกองทุกเสียทีอย่าได้มาเดือดร้อนในสังสารวัฏอีกเลยนะท่านนะนี่แอย่างเงี้ยยกลักษณะแบบนี้เป็นต้นเนี่ยไอ้กรณีอย่างนี้เขาเรียกเมตตากายกรรมใช่ไหมทาบ่อยไหมแบบเนี้ยหรือว่าทําไปอย่างงั้นแล้วไม่คิดเลยถ้าไม่คิดเป็นเมตตากายกรรมบัญ ก, กรรมนโรกรรมได้ไหมไม่ได้ต้องให้ใจเป็นเมตตาสําคัญที่สุดจิตต้องมีเมตตาเกิดก่อนแล้ถึงผักการกระทําคําพูดการคิดออกมาได้ ไม่ใช่ว่าเนี่ยคิดไปก่อนแล้วเมตตาไม่ไปคิดดึงกลับมาใหม่ลืมไปลืมไปตั้งหลักตั้งหลักใช่ไห ม, ามเพราะเราชํานาญมากไอ้คิดแบบประเภทที่อย่างที่เคยเป็นมาอย่างที่โยมเป็นๆกันเนี่ยยังไงก็แวบก่อนที่มาไมา้ไหนเนี่ยไอ้พูดแบบนี้นจะเอาอยัางไงเนี่ยที่หาเรื่องหรือไม่หาเรื่องโดยมากเนี้ยมันจะมองค่อนข้างที่จะ คิดในแง่ไม่ดีค่อนข้างเยอะเร็วมากใช่ไหมงั้นทําจิตใจไปดุดดังแผ่นดินแผ่นดินที่ตั้งรับเขาเราียกก็เนี่ยขันติเนี่ยหรือเมตตาทั้งหลายเลยเนี่ยทนแบบตั้งรับเคยเห็นทนแบบบกฝามเหมือนช้างศึกว่า ง, งั้นบอกนักบวชในศาสนาของพระชินเจ้าหรือพุทธบริษัทของว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนช้างศึกหรือพระเจ้าเนี่ยเหมือนช้างศึก ช้างศึกเวลาออกสู่สนามรบเนี่ยจะมีลูกศรบินวิ่งมาปลิวมาอย่างทิศ ท, ทั้ง4ช้างสะทกสะทานหวั่นไหวไม่ช้างศึกเนี่ยไม่สะทกสะทานไม่หวั่นไหวเลยใช้ทั้งงวงใช้ทั้งหูใช้ทั้งหางใช้ทั้งลําตัวปอกปัดป้องหรือหลบได้อย่างอย่างดีเลยว่าไม่กลัวไม่สะทกสะทานใจนะไม่เคยหวั่นไหวเลยนี่ก็เหมือนกันไม่เคยหวั่นไหวต่อเสียงชมเสียงสรรเสริญ ไม่ว่าคําพูดนั้นจะเป็นคําพูดที่ถูกการไม่ถูกการไม่ว่าคําพูดนั้นจะเป็นคําพูดจริงหรือเท็จอ่อนหวานหรือหยาบคายมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลพูดด้วยเมตตาจิตหรือพูดด้วยโทสะจิตก็ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะมาประทุศร้ายอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยโอ้โหมั่นคงไม่หวั่นไหวเลยนะแปลว่าสภาพรักษาจิตไว้ดีมากอย่างที่ได้บอกไว้แล้วว่าพุทธบริษัทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย อย่างเลือดอย่างคิดอาโทสาก็ดีเมตาก็ดีเนี่ยกอดโทกอดอโทสาขันติหรือกอดเมตตาเขาไว้เหมือนที่บอกว่าทหารอยู่ในสนามรบก็รักษาเลยนะธงชัยเฉลิมพลอยไหมท่านในภาษาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะรักษาญาตมุงกระตาไว้ก็คือจะรักษาศีลสมาธิปัญญาโดยเฉพาะรักษาสมาธิจิตนี้เมตตาจิตนี้ไว้ยอมตายแต่ไม่ยอมทิ้งเมตตา เนี oh, ่ยยอมตายนะธาตุาทิ้งเมตตาแล้วมีชีวิตอยู่อย่างผู้แพ้สงครามเป็นทาตของโทสะเป็นทาตของกิเลสถามว่ามีชีวิตอยู่จะมีประโยชน์อะไรสู้ตายเสียยังดีกว่าเง้คิดอย่างขนาดนั้นนะนั้นตายเสียดีกว่าที่จะมีชีวิตอยู่อย่างเป็นผู้เป็นทาตของโทสะนี่เขาขนาดนั้นเลยอันนี้ถือว่ า, าจริงม ถือว่าโอ้โหเนี่ยโชเมตตาธรรมเนี่ยเป็นบรจาคเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวนำเลยยากไหมทีนี้อีกอุปามาหนึ่งก็คือว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าอุปามาเหมือนกับบุรุษถือเอาอุปามาทําใจให้ว่างเหมือนอากาศอากาศนี่ว่างไหมว่างไหมว่างปริมาณอากาศนี่ว่างไหมว่างใช่ไหม อากาศเนี่ยมีมากหรือไม่มากเออมีเรื่องหนึ่งก็คือว่าอากาศในจักรวาลนยหาประมาณไม่ได้เขาก็อุปมาเรื่องคุณงริญญาทีนี้อุปมาเหมือนบรุษเนี่ยถือเอาข้างสีเหลืองบ้างสีเขียวบ้างสีแดงหรือว่าสีเลือดนกเนี่ยมาแล้วก็คิดอย่างนี้ว่าเราจะเขียนรูปในอากาศเตรียมข้างสีแดงสีเขียวสีเลือดนกทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยหรือสีเหลือง จะเขียนรูปในอากาศเขียนติดไหมเพราะอะไรเพราะอากาศมันว่างนั่นเองเขียนยังไงก็ไม่ปรากฏเธอเข้าใจความข้อนั้นอย่างไรเขาอาจที่จะเขียนรูปในอากาศทําให้เป็นรูปปรากฏ ไ, ไ, ได้หรือไม่ได้หรือไม่ได้บอกไม่ได้พระพุทธเจ้าข่าบอกว่าที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะอากาศนั้นไม่มีรูปร่างมองเห็นไม่ได้เขาจะเขียนรูปในอากาศนั้นให้ทําเป็นรูปปรากฏ ได้ไม่ได้เลยจึงต้องเหน็ดเหนื่อยลำบากใจเป็นแน่แท้ฉะนั้นถ้อยคําบุคคลที่พูดกับเราเนี่ยเขาจะพูดสมควรถูกการหรือไม่ถูกการพูดคําจริงหรือคําเท็จพูดอ่อนหวานหรือหยาบคายพูดมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลพูดด้วยโทสะจิตหรือพูดด้วยเมตตาจิตเราก็จะทําจิตของเราให้ว่างไม่มีอะไรกระทบเลยทําได้ไหมเอาอากาศเป็นอุปมา ทำได้ไหมแบบนี้เขาด่ามามันก็ไม่ถูกอะไรมันว่างหมดแล้วใช่ไหมเขียนยังไงก็ไม่ติดเขาจะทําให้เราโกรธยังไงโกรธได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมจะเขียนเป็นรูปยักษ์รูปมารเขียนเป็นรูปเทวดารูปนกรูปสัตว์ทั้งหลายมันเขียนไม่ติดอากาศก็มีความว่างเปล่าแม้ชันใดพุทธบริษัทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ฉันนั้นเหมือนกันทําจิตให้เป็นเหมือนอากาศว่างเปล่า โทรศาไม่เกิดใ่ไตอนนี้ว่างไหมจิตของเราว่างอย่ยังตอนนี้พร้อมที่จะรับคำพูดที่สมควรและไม่สมควรได้ยังวานไหวไหมคำที่เท็จหรือคำที่จริงก็ไม่กระทบกระทั่งอะไรเพราะว่างเป็นอากาศไปหมดแล้วคําอ่อนหวานหรือคําหยาบคายคํามีเหตุผลและมีเหตุผลจะพูดกับเมตตาหรือพู ด, ด้วยโทรศว่างไหม นะเอาอากาศมาเป็นอุปมาอย่างนี้ทีนี้นี่อุบายในการที่จะล่าโทรสานะอีกอุบายหนึ่งก็คือว่าถ้าดินก็ยังไม่ค่อยชัดน้ำก็ยังไม่ค่อยชัดทีนี้ก็เอาอากาศทำใจให้เย็นเหมือนกับแม่น้ำเหมือนกับแม่น้าใหญ่อุปมาเหมือนบุรุษเนี่ยนะถือคบญ้าที่ลุกโพงได้ไฟเนี่ยนะ แล้วพูดอย่างนี้ว่าเราจะเผาแม่น้ำคงคาให้ร้อนจัดแล้วให้เดือดเป็นควันพุ่งด้วยคบเพลิงด้วยหญ้านี้แหละถามว่าทำได้ไหมแม่น้ำใหญ่แม่น้ำคงคาหรือในมหาสมุทรเนี่ยเอาคบเพิงไปเอาย้าแห้งไปแล้วเราจะเผาเราจะเผาแม่น้ำนี่ให้มันเดือดให้เหือดแห้งทำได้ไหมล่ะฉะนั้นนี่มันก็เหมือนกัน พุทธบริษัทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทาใจให้เยือกเย็นเหมือนแม่น้ํางนั้นใครจะพูดสมควรหรือไม่สมควรถูกการหรือไม่ถูกการใครจะมาพูดคำจริงหรือคำเท็จอ่อนหวานหรือหยาบคายพูดมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลพูดด้วยโทสะจิตหรือเมตตาจิตจะทำจิตให้เราเดือดพุกพ่านไม่ได้เพราะใจเราเหมือนแม่น้าใหญ่เยือกเย็นตลอดเวลาเลย เอาที่เอาอะไรมาเผายัางไงก็เผาไปเถอะไม่มีผลฉะนั้นเมตตาจิตเนี่ยนะเมื่อเจริญหรือฝึกให้มากขึ้นมากขึ้นมันจะมีสภาพเป็นความแข็งแรงและมั่นคงอย่างนั้นแหละเหมือนกับแม่น้ำใหญ่เย็นอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเหมือนกันเริ่มเป็นหรือยังใสไหมจิตใสไหมตอนนี้ใสสะอาดไหมเยือกเย็นไหม เยือกเย็นใสถ้าถ้าจิตแข็งแรงนะจิตตั้งมั่นจิตเยือกเย็นจิตใสสะอาดจิตไม่หวั่นไหวจิตไม่มีมนทินเข้าไปเกลือกลัวในนั้นนะ่แล้วก็เหมือนบึงใหญ่สะใหญ่ที่ไม่มีลมพัดต้องเป็นไงจิตเป็นยังไงมั่นคงเสถียรไม่หวั่นไหวแล้วก็ใสสะอาดมองเห็นอะไรได้ชัดถ้าจิตของยอมนะตั้งมั่นได้กำลังของสมาธิมีเมตตาจิตเป็นต้นเหล่านี้ เวลาตั้งมั่นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยนะพอเข้าถึงความสงบสะอาดใสสว่างอย่งั้นปุ๊บเนี่ยมองก็จะเห็นหมดเลยนะเห็นปลาใช่ไห้ถ้าน้ําเนี่ยน้ำที่ใสสะอาดจริงๆก็จะเห็นปลาเห็นเต่าเห็นปูเห็นกุ้งแม้เห็นหินทรายทั้งหลายที่อยู่ข้างล่างแม้ชั้นใดจิตของบุคคลที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวด้วยเมตตาจิตเป็นต้นเหล่านี้ยเวลาน้อมจิตไปเพื่อจะรู้อะไรมันจะเห็นเห็นหมดเลยตอนเนี้ย เพรจิตใสสะอาดน้อมไปเพื่อจะเห็นให้รู้อะไรชัดตามความเป็นจริงเนี่ยน้อมที่จะไปเข้าไปเห็นรูปประธรรมาตามความเป็นจริงนมมามธรรมตามความเป็นจริงมันเห็นเลยแต่เนี่ยนะหรือจะน้อมก็ไปแผ่เมตตาอะไรไปมันก็จะโอ้โหจิตก็จะน้อมไปโอนไปเอียงไปได้ง่ายมากซึ่งปัจจุบันเนี่ยจิตมันแข็งจิตมันแข็งมากรู้สึกว่ามันถักไม่ไปเป็นไหมล่ะขนาดท่องเมตตามันยังไม่ไปเลยเนี่ย ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเถิดทื่ออยู่างนั้นเฮ้ย ไ, ไม่ไปวะขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรต่อใครๆเลยอ้ย ไ, uh, ไม่ไปอีกแล้วขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีจิตคิดพยาบาทอาฆาตปองร้ายเบียดเบียนซึ่งใครๆเลยเอา้าวไม่ไปอีกขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยอ้าวไม่เข้าใจอีกขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีจงเป็นผู้มีความสุขรักษาตนในพ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเถิดหนึ่งรอบก็ยังเงียบเฉยอ ย, อยู่ไม่ไปเคยเป็นไหม มันมันแข็งมากจิตมันต้านอยู่นั่นแหละมันไม่น้อมไปไม่โอนไปไม่น้อมไปในความดีเลยร ะ, ะลึกอะไรก็ไม่คล่องแคล่วไม่ว่องไวเลยเป็นไหมมาก็ซึมซึมหนึ่งกำหนัดยินดีเพิดเพลินไอจิตที่กำหนัดยินดีเพลิดเพลินมันเหมือนน้ำอยู่ในภาชนะแล้วมันมีสีสีเขียวสีแดงทั้งหลายปนอยู่เราชโงกหน้าไปในภาชนะนั้นเห็นเงาหน้าไหมเห็นไม่เห็น เห็นไม่เห็นเพราะมันมีสีแดงสีเขียวสีขาวปนอยู่เนี่ยมันก็ไม่เห็นแม้ชั้นใดสภาพจิตที่มีการมาราคากุ้มรุมก็เป็นอย่างนั้นแหละความกำหนัดยินดีกุ้มรุมก็เป็นอย่างนั้นแล้วทีนี้ถ้าเอาภาชนะใส่น้ํานี่นักระทะเลยใส่น้ําเนี่ยเอาไปตั้งบนเตาแล้วจุดไฟน้ํามันเดือดบุบบุบบุบุบบขึ้นมาถามว่าเราไปชะโงกหน้าเราจะเห็นเงาหน้าของเราชัดไหมเพราะอะไรน้ํามันเดือดฉะนั้นเวลาโทสากุ้มรุม ปุ๊บปุบอยู่เนี่ยจิตจะตั้งมั่นไหมโอ้โหเป็นอะไรเลยเนี่ยบุบบุเดือดอยู่ตลอดเวลามองเห็นเงาก็ไม่ชัดเงาหน้าก็ไม่ชัดเนี่ยเอาเวลาเวลาเราเอาน้นํานะเอาน้ําใส่ภาชนะแล้วบนนั้นน่ะมีจอกแหนวเต็มไปหมดแล้วเราชะงงกหน้าไปที่ภาชนะนั้นจะเห็นเงาหน้าของเราชัดไหม พอมีจอกแหนปกคลุมเต็มไปหมดแม้ชั้นใดเวลาถีนมิทะความหดหูท้อถอยมันกุ้มรุมจิตใจเนี่ยเซ็งอ่ะเซ็งซึมเสื่อมเงีง้ยมันนัง่งเซ็งเซ็งพอดีเมื่อกี้อากาศร้อนพรมาตรงนี้เลยเซ็งซึมเฉยเงี้ยนะถามว่ามันจะเห็นอะไรชัดไหมเนี่ยจิตมันถูกถีนมิทะก้มรุมหรือเอาภาชนะใส่น้ําเอาไปวางก็ไว้ต่อมามีลมพัดลมพัดมันกระเพื่อม น้ำก็เพิ่มตลอดเวลาเนะี่ยชงอกหน้าเข้าไปเห็นเงาหน้าตัวเองชัดไหมเพราะอะไรมันมีลมพัดต้องจิตมันไม่นิ่งจิตมันวันไหวอยู่ตลอดเวลาอุดท่าจากความฟุ้งซ่านกุกุจาก่าความรําคาญใจเวลาเกิดขึ้นในใจมันทําอย่างนั้นแหละโอ้โหมันก็เพิ่มตลอดเหมือนลมพัดต้องตลอดมันไม่นิ่งสภาพจิตที่ไม่มีเมตตาจิตก็เป็นแบบนั้นแหละหรือเอาภาชนะใส่น้ํานะ แล้วน้ำนั้นมีคโครนตรมเต็มไปหมดด้วยแล้วไปตั้งไว้ในที่มืดกลางคืนเนี่ยสาว่ามองเงาหน้าตัวเองชัดไหมเหมือนกันจิตที่มีวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยความมืดบอดโมหะมันกุ่มรุมเนี่ยมันมืดขนาดนี้นะแค่เอาคโครนต้มไปใส่ในนิพพานะนั้นก็มันก็มืดพออยู่แล้วยังไปตั้งกลางคืนนี่โอ้โหเนี่ยฉะนั้นเวลาโมหะจิตเกิดมันเป็นแบบนี้แหละ ฉะนั้นทุกวันเนี่มันปีปัญหาจิตของพวกเรามีตัวนี้แหละหนึ่งกามาชันทะความติดใจไฝ่กสันกุมรุมสองพยาบาทความหงุดหงิดความกโกรธกุ้มรุมสาถีนมิ ท, มท้ความหดหู่ท้อถอยกุ้มรุมสี่ถ้าจากกุกุจจาความฟุ้งซ่านลาคาญใจกุ้มรุมหวิจิกิจฉาความลังเลสงสยัยเข้าใจคําว่าลังเลสงสัยไหมพอพูดเรื่องการเจริญพรหมวิหารมีเมตตาเป็นต้นก็ มันจะไหวหรือสงสัยไม่ไหวเราลองดูแล้วมันไม่ไม่ไหวแล้วมันลังเลอย่างเงี้ยไม่ปักใจลงไปว่าได้ได้แน่นอนไ ม, ไม่เชื่อมัน่นอะไรมก้มลงวิจิกิจฉามันก้มลงไม่ไหวนี่ยมันมันลังเลพอลังทำท่าจะทำขึ้นมาลังเลบ้างห่วงน้นห่วงนี้บ้าง อยากไปทําตรงนู้นตรงนี้บ้างเป็นไม่เป็นถามจริงอาการแบบนี้เขาเรียกว่าจิตมันมืดเหมือนเหมือนกับเอาภาชนะใส่น้ําำไปเต็มในน้ํามีตะโครนตมแล้วไปตั้งไว้ในที่มืดมันมองไม่เห็นแล้วในกรณีอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าต้องขจัดจิตที่มีกาเมชันท่พยาบาทีนะมิท้าอุทจักกุกุเจ้วิจิกิจฉากุมรมเนี่ยจิตมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาอันนี้มันมีอะไรเนี่ยมันมีสนิมเนี่ย มันมีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามันมีจิตที่มีปัญหาตรงเนี้ยเหมือนทองอทองที่มันไม่สุกปรังมันไม่อ่อนมันไม่ควรต่อการเอาไปทำเครื่องประดับเนี่ยทองนั้นมันมีสิ่งปอนปล์ ป, อ น, ป, อ, น ป, อ, นปอนอยู่เยอะมีอะไรหนึ่งโลหะดีบุกตะกวัวเงินแล้วก็ทองแดงใช่ ไ, หไอห้าสิ่งเนี่ยมันปนอยู่กับทองอยู่ เราทองที่มันมีส่วนผสมทั้งโลหะตะกัวเหล็กทองแดงทั้งหลายเหล่านี้ยโลหะเนี่ ย, ยจะถึงเงินเนี่ยผสมกับทองเนี่ยเราสามารถจะเอาวัตถุชิ้นนี้ไปทําเครื่องประดับต่างหูแก้วมณีแก้ ว, ม, ม, กวมุกดาทำสร้อยทําแหวนทําฬิกาได้ไหมมันไม่สุกมันไม่ปรังมันก็หักมันก็เปลาะหมดแม้ฉันใดวิธีการก็คือถ้าได้อุปกรณ์ต่างๆพวกนี้มาแล้วเขาจะต้องเอาไปเข้าโรงงานนะ ถ้าประเทศไทยเนี่ยทำไม่ได้เขาสามารถสกัดที่ไปดูโรงงานทองที่เขาขุดทองกันเนี่ยเขาสกัดมามันได้สิ่งปนเปืนมาเต็มไปหมดเลยแต่ว่าโอ้โหทีเราเป็นตันๆเลยนะน้ําหนักเป็นพันๆกิโลเนี่ยแต่ในนัน้นมันมีทองอยู่ด้วยมันมีเหล็กด้วยตะกั่วด้วยทองแดงด้วยโลหะด้วยเงินด้วยแล้วก็มีทองอยู่นั้นด้วยเขาก็นั่นแหละทั้งเป็นพันตันๆเป็นพันๆกิโลก็ส่งไปที่ประเทศสิงคโปร์ ปเบเสจปุ๊บเขาจะมีโรงงานที่สิงคโปร์เขาจะสกัดสกัดโลหะออกเงินออกตะกั่วออกทองแดงออกดีบุกออกแล้วก็เงินออกให้เหลือแต่ทองล้วนๆแล้วก็ส่งกลับมาให้นี่งี้เป็นต้นเพราได้ทองล้วนๆขึ้นมาแต่สมัยโบราณเขาใช้เข้าไปในเบ้าหลอมที่สูบที่เป่าที่ใช้ไฟอะหลอมเป่าพ่นเข้าไปเป่าออกเป่าโลหะออกเป่าตะกั่วออกเป่าทองแดงออกเป่าดีบุกออกเป่าเงินออก ให้เหลือแต่ทองคํำล้วนๆวนเมื่อได้ทองคําล้วนลวนมาแล้วนี่แหละได้เป็นแท่งทองมาล้วนๆแล้วก็มาทําอะไรต่อทําต่างหูทําแหวนทำสร้อยทํานาฬิกาทําเครื่องประดับก็งดงามแม้ชั้นใดตอนนี้จิตของโยมเนี่ยทําไมต้องมาเจริญเมตตาเนี่ยเพราะมันมีกามฉันทะก้มรุมอยู่ความติดใจใยกรสันมีพยาบาทความหงุดหงิดกุ้มรุมอยู่มีถีนมิธาหดหููท้อถอยกุ้มรุมอยู่มีอุทะจักกุกุจัก ความฟุ้งซ่านลาคาญใจกุ้มรุมอยู่มีวิจิกิจฉารังเลสงสัยกุ้มรุมอยู่จิตมันไม่สะอาดเอี่ยมอ่องฟ่องแพร่จิตมันมีมนทินมันมีมันมีตัวนิวร์กุ้มรุมอยู่ฉะนั้นการมาฝึกในการเดินเมตตาก็คือการมาสกัดสกัดไอ้ห้าอย่างออกตอนนี้สกัดกันได้แค่ไหนแล้วเนี่ยเริ่มออกรึยังถีนนภิธาออกรึยังหดหูเซง็งท้อถอยออกอยังเนี่ย บ่ายโมงบ่ายจะเข้าบ่ายสองโมงออกอยังเนี่ยหรือมันมาช่วงเนี้บ่อยกออกไม่ออกออกไม่ออกไปสกัดมันจริงหรือว่าไปพอกมันต่อบางคนเนี่ยให้มาสกัดถีนมิทะให้กามฉันทะออกพยาบาทออกถีนมิทะออกแต่ดันเอากามฉันทะไปพอกต่อนี่กําหนัดติดใจใยกระสันต่อไปเครียดไปกุ้มไปหงุดหงิดต่อไปหดหูท่ท้อถอยต่อ ไปลังเลสงสยัยไป็นฟุ้งซ่านลำคาญใจต่อบแปลว่าไปเอาออกหรือไปพอกมันไปพอกอันนี้มันทำกิจผิดนี่นี่เป็นกิจกรรมที่จะไปสกัดไอ้ห้าอย่างนี้ออกเพรั้นวิธีเดินเมตตาก็จะสกัดนี่แหละออกออกบางอย่างโอ้หาพวดจะเหนื่อยไม่ยอมออกคันนีเลยไล่ออกยากยังผีห้าตัวเนี่ยผีสิงเยถ้าพูดอย่างี้เหมือนผีสิงเนาะ กามฉันทายเป็นผีตัวหนึ่งเนี่ยถ้าเอาออกได้เมื่อไหรนะ่แล้วจิตจะสวยเลยโยมผ่องจิตจะสะอาดเอี่ยม อ, อ่องพ่องแผ้วไม่มีมวลทินจิตจะตั้งมั่นไม่หวั่นไหวจิตจะเป็นกรรมนิยะเหมาะควรเลยนะ่ยควรต่อการเอาไปเดินวิปัสสนาญาณก็ได้ควรต่อการไปแสดงลิธต่างๆได้โอ้โหไปทํากิจกรรมต่างๆได้เยอะมากมันเหมาะก็เรียกเป็นกรรมนิยะมันควรเป็นอเนชะ ไม่หวั่นไหวด้วยตั้งมั่นด้วยไม่หวั่นไหวด้วยแล้วก็สะอาดเอี่ยมอ่องผ่องแผ้วด้วยไม่มีมลทินอะไรเข้าไปเจือปรด้วยจิตแบบนี้แหละเป็นจิตที่จะเดินวิปัสสนาญาณได้แต่ตอนนี้เดินไม่ได้แล้วโอ้โหจิตมีทั้งอะไรไม่รู้ใช่ไหมล่ะเหมือนเหมือนทองอะ่ะมันผสมกับดีบุกตะกัวเนี่ยเงินทองแดงเป็นต้นเหล่านี้มันจะไปทําอะไรได้ทําเครื่องประดับก็ไม่ได้ตอนเนี้จะไปเป็นวิปัสสนายโยคีบุคคล ไปไม่เป็นน่ก็กุ้มลุมยังเมตตายัางไม่ได้ถ้าได้เมตตาจิตเมื่อไหร่แล้วตอนนี้ไปแล้วจะไปต่อวิปัสสนาญาณได้แล้วตอนนี้อยากได้จิตแบบนี้ไม่เล่าอยากได้ใช่ไหมทาพิธีอ้อนวอนทาพิธีอ้อนวอนได้ไหมจุดทูบจุดเทียนก็อ้อนวอนข่าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้จเจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าเนื้ บทรับข้าพเจ้าเนี่ยเป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าด้วยเถิดแล้วก็พูดที่เราเราเราไปสมาทานอย่างนั้นแล้วใช่ไหมที่จริงการที่เราไปสมาทานลักษณะนี้ก็คือเรามาบอกว่าเราจะฝึกจริงๆตั้งมั่นจริงๆพูดอย่างนี้พอจะชัดไหมพอเห็นเห็นภาพหีืยังตอนนี้จิตเรามีปัญหาจริงหรือไม่จริงมีปัญหาเพราะเรามีปัญหาหรือมีปัญหาเพราะนิวรมากุ้มลุง ไอ้นวรณที่มาก้มรวมเราเชิญเข้ามาหรือเขามาเองเราเชิญเข้ามาหรือเขามาเองไปเชิญตอนไหนตอนที่เรามานาสิการผิดไงเราไปมานาสิการในของที่ไม่งามว่างามปุ๊บเนี่ยการมาฉันทาจะมาถ้าไปมานาสิการในสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวน่าขยะแขยงปีตเตอร์เหล่านี้มันจะโทสะมันจะมาใช่ไหมถ้าไปมานาสิการถึงความเส็งเสื่อมหดหูทั้งหลายทีน้ำมิท้มันก็มา เป็นมนุิการถึงถึงความหงุดหงิดฟุ้งซ่านทั้งหลายเหล่านี้ปุ๊บ อ, อุทจักขุกุจากก็มาหรือไม่ใส่ใจในปัญญาไม่ใส่ใจในการวิจัยแยกแยะโมหะมันก็มานี่แปลว่าเราเนี่ยเป็นผู้ไปให้อาหารมันแล้วก็ไปอัญเชิญเข้ามาแล้วก็ยอมรับนับถือให้เขามากุ่มรุมกระแสชีวิตแล้วไม่เคยจะคิดจะพิชิตเขาออกเลยใช่ไหม เวลามาเจริญกรรมฐานมาเจริญเมตตาทั้งหลายเราก็ตั้งเป้าหมายไม่ชัดเป้าหมายจริงๆริเนี่ยคือเราต้องขจัดไอ้ห้อย่างนี่ออกจากจิตให้ได้จิตเราต้องใสสะอาดให้ได้จิตต้องตั้งมั่นให้ได้จิตต้องสะอาดเอี่ยมอ่องผ่องแผ้วจิตต้องขจัดมนทินเหล่านี้ให้ได้จิตจะต้องเหมาะควรต่อการงานแล้วต้องตั้งมั่นไม่หวั่นไหวให้ได้จิตต้องใสสะอาดให้ได้ในวันนี้ต้องทําให้ได้เขาว่างั้นในวันนี้ต้องทําให้ได้เขาคิดอย่างนี้นี่เราไม่เคยตั้งเป้าหมายแบบนี้เลยเวลาเราไป ถามหน่อยว่าเวลาเราไปทํางานเนี่ยเราเคยตั้งเป้าหมายจะให้เสร็จวันนี้ไหมมีเยอะไหมเกณฑกวาดบ้านต้องให้เสร็จพรุ่งนี้หรือวันนี้หุงข้าวให้เสร็จพรุ่งนี้หรือวันนี้เราทําวันนั้นเดี๋ยวนั้นจะต้องทําให้เสร็จแล้วเวลาจะเยือนกรรมาฐานคือเมตตาเราบอกว่าไงได้ก็ช่างไม่ได้ก็ช่างอย่างนี้ว่า <c oughs> เป็นแบบนี้ยอมพูดไปพูดมามันน่ากโกรธตัวเองไหมน่าไหมนะเอาไปเสียท่ามันอีกใช่ไหม เวาพูดไปพูดมาเอขนาดพลาพูดทุกมุมแล้วเนี่ยเอ๊ะฉันว่ากับทําให้หมดทุกอย่างแล้วนะเนี่ยพระพุทธเจ้าเนะทําให้เราหมดทุกอย่างนะเหลืออย่างเดียวเท่านั้นเองเคี้ยวแล้วกลืนก็นไปแค่นั้นเองเนะี่ยบอกทุกวิถทีทางเหลืออย่างเดียวเนี่ยตอนเนี้ยเคี้ยวแค่นั้นเองแล้นนวกลืนแค่นี่ยยากไหมเคี้ยวเนี่ยเหลือต้องคอยจับปาก <Sah es> <aired> อย่างนี้เดี <aye> ๋ยวต่ออีกข้อ ทำใจให้เหมือนเหมือนแม่น้ําไปแล้วในพระสูตรสตนี้ในกกชูปมาสูตรก็บอกทําใจให้อ่อนโยนเหมือนกระสอบหนังแมวในภาษาในพระไตรกเขาว่ า, างนี้เดี๋ยวเขามาวิจัยยกระสอบหนังแมวเป็นยังไงจะถามอาจารย์มาสุรัตอุปมาเหมือนกับกระสอบหนังแมวที่ฟอกสะอาดเรียบร้อยกระสอบหนังแมวนีที่ฟอกสะอาดเรียบร้อยอ่อนนุ่มตั้งดังปุ๋ยนุ่นอ่อนเหมือนปุ๋ยนุ่นเลย ตีก็ไม่มีเสียงดังถ้าบุรุษถือเอาไม้หรือกระเบื้องมาแล้วก็พูดอย่างนี้ว่าเราจะทำกระสอบหนังแมวนี้ให้มีเสียงดังด้วยไม้หรือด้วยกระเบื้องนี้เธอเข้าใจความข้อนั้นอย่างไรเขาสามารถจะทำกระสอบหนังแมวนั้นให้มีเสียงดังด้วยไม้หรือด้วยกระเบื้องได้หรือไม่ได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้เพราะอะไรอ่ะ ไอ้กระสอบหนังแมวเนี่ยเขามาฟอกฟอกจนเบาเป็นนุ่นเป็นสำลีเลยนะมันเป็นกระสอบแล้วก็มาฟอกจนขาวจนจนเป็นเหมือนนุ่นสำลีเบามากเอาไม้ตีไงก็ไม่มีเสียงเอากระเบื้องไปทบยังไงก็ไม่มีเสียงเพราะมันเบามากมันเบามากกระสอบหนังแมวเนี่ยเป็นอย่างนั้นทต่าอามาไม่เคยเห็น แต่แต่พอจะสันนิษฐานได้มันมีจริงๆวัตถุที่มันเบาอย่างนั้นเนะี่ยทายังไงเสียงมันก็ไม่ดังไม่มีเสียงที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่ากระสอบหนังแมวเนื้อฟอกสะอาดเรียบร้อยอ่อนนุ่มดังปุยนุ่นตีก็ไม่มีเสียงดังเขาจะทำกระสอบหนังแมวนั้นมีเสียงดังเนะี่ยไม่ได้นะก็บอกไม่ได้อย่างนี้คือเขาเห น, นื่อยเปล่า ทุบยังไงตียังไงก็เหนื่อยเปล่าจะไม่สามารถทําเสียงให้เกิดขึ้นจากกระสอบนี้ได้เลยเพราะมันฟอกอย่างดีละเอียดอ่อนเหมือนปุ ย, น, น, ยนุ่นเลยว่างั้นเถอะนี่ก็เหมือนกันบุคคลที่ฝึกจิตดีแล้วทําจิตจนใสสะอาดตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมั่นคงแล้วดีแล้วเนี่ยคนจะพูดนะจะพูดถูกการหรือไม่ถูกการให้เขาได้ยินจะพูดคําจริงหรือคําเ ท, ท็จ จะพูดอ่อนหวานหรือหยาบคายจะพูดมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลจะพูดด้วยโทสะหรือพูดด้วยเมตตาก็ไม่สามารถมีผลต่อจิตใจของคนที่ฝึกได้ดีแล้วไม่มีเลยเพราะเขาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมีเมตตาจิตมีอัโทสะคือความไม่กโกรธมีความตั้งมั่นแห่งจิตแข็งแรงไม่หวั่นไหวแล้วจะไปแย่ยังไงไปกระทบกระทั่งยังไงจะให้ความกโกรธมันพุกง่านขึ้นมามันไม่มาแล้วเพราะว่าสติของเขากําหนดไว้อย่างดี สมาธิก็ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวความเพียรก็สร้างสรรค์นในการประคองเมตตาไว้ในจิตมีความไม่โกรธมีเมตตามีความรักปรารถนาดีเอื้อทอนอย่างจับจิตจับใจเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้จะทําให้จิตของท่านเหล่านั้นหวั่นไหวได้ไหมแปลป่วนได้ไหมเพราะจิตไม่แปลป่วนหน้านิ้วคิ้วขมวดก็ไม่เกิดค้างสันก็ไม่เกิดกาเปล่งวาจาชั่วร้ายเป็นต้นก็ไม่เกิดเห็นไหม เพราะฐานของจิตมันแข็งแรงดีแล้วฝึกมาดีแล้วพัฒนาดีแล้วอย่างนี้เป็นต้นเริ่มเห็นชัดยังเห็นไหมเขาฝึกมาตามลำดับแบบนี้พวกเราได้ได้บางอย่างตอนนี้เริ่มได้ยางทีนี้พระพุทธเจ้าตรัสโอวาดอุปมาดรวยเรื่อยนี่แหละเข้าเข้าสูตรแล้วมาจบตรงนี้แหละภิกสูทั้งหลายหากพวกโจรที่ประพฤติชั่วร้าย ที่จะใช้เลื่อยที่มีด้ามจับสองข้างเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่กําลังนีมีบุรุษหรือโจรเนี่ยเอาเลื่อยมาเลื่อยที่มีจับได้สองข้างสองคนมาเนี่ยจับภิกษุนั้นมัดไว้แล้วเอาเลื่อยมาเลื่อยอวัยวะเช่นเลื่อยแขนเอยเลื่อยขาเอยเลื่อยท้องเอยเลื่อยคอเอยหรือเลื่อยหน้าอกกําลังเลื่อยอยู่นั้นน่ะกำลังตัดอวัยวะภิกษุนั้นอยู่นั้น ผู้มีใจคิดล้ายในพวกโจรนั้นถ้าเธอทำจิตให้คิดปทุษร้ายโจรที่กำลังเลื่อยหรือตัดอวัยวะเธออยู่นั้นน่ะชื่อว่าไม่ทำตามคำสอนของเราด้วยเหตุนั้น <c oughs> จะว่าไงเนี่ยหนักไหมเนี่ยอีกทีนี้พอเราไปเจอแดดร้อนๆเนี่ย แต่มันไม่เท่ากับเอาเรื่อยมาตัดอวัยวะใช่ไหมเดี๋ยวจะเล่าจะเล่าเรื่องจะเล่าจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังเอามาไปผ่าเนี่ยผ่าแขนด้านซ้ายเนี่ยผ่าผ่าใส่เส้นเอามาต้องไปฟอกไตใช่ไหมหมอที่โรงพยาบาลจุฬาก็ผ่าหมอก็บอกว่าเป็นเป็นอาจารย์หมอ ท่านครับใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงจบกลับบ้านได้ <c oughs> กลับบ้านได้แล้วบอกได้ได้ได้ไดก็ไม่ได้เตรียมอะไรไปแล้วก็ไปสามชั่วโมงก็จบไม่ต้องวางยาฉีดแค่ยาชาแค่ท่งช่วงแขนแล้วหมอเขาผ่าเส้นปืด๊ดแล้วก็ เขาก็คือเนี่ยในใ น, นในข้างนี้โอ้พาย่างยาว เ, เลนใส่เส้นพวกเขาจะไว้พอกในตอนนั้นเอามาไตาไม่ทํางานแล้วตอนนั้นอาจะต้องพอกมาก็กางแขนอย่างนี้มันก็มันก็นกจากซีกนี้ไปเขาก็ใช้ยามันก็ไม่ไม่รู้สึกผ่าจืดไปแต่นี้ก็บอกว่าเขาบอกพยาบาลก็ถามพยาบาลว่าเออได้เตรียมเส้นอสายที่เส้น ที่จะใส่เนี่ยท่อเนี่ยไว้ไหมเขาก็บอกยี่ห้อแบบที่มันอย่างแบบดีหน่อยพยาบาลบอกว่าไม่มีพาวไปแล้วมีแต่แบบไม่ดีอะ่ะแบบพอใช้ได้อะ่ะเสียงหมอก็พูดกันเอามาก็นั่งยิ้มถ้าเป็นยอมจะขัดเคืองไหมถามยิงเคืองไม่เคืองฉันเชื่อว่าเคืองยอมเนี่ยแต่ฉันบอกว่าไอาฉันเริ่มยิ้มในใจแล้ว งานนี้เจอสนามลบแล้วเข้าอยู่ในสนามลบแน่นอนไม่ไม่ไม่รอดออกมาก็เริ่มวางท่าทีดังใจแล้วแล้วก็รู้ด้วยว่าปัญหาอะไรจะตามมาอย่างแน่นอนก็เริ่มมตสิกานว่าเราเคืองเราโกรธหมอไหมเนี่ยเราโกรธพวกพยาบาลไม่ที่มันสุ้มซ่าไม่รู้เรื่องรู้ราเนี่ย อ, อยากโกรธก็เลยใช่หก็นึกถึงนี่แหละเนี่ยเี่ยเนี่ยกับกกโยปรมสูตรนี่แหละฟุบเข้ามาในใจแล้วอแร ง, งานเนี้ย เป็นสถานการณ์จริงแล้วเราสอนคนอื่นไว้เยอะจัดงานนี้เข้าสู่สงครามเล้วว้ยโอ้โหสถานการณ์เนี่ยงานจริงเลยเดี๋ยนี้น้าข้าน้าข้าวเขาก็ใส่แล้วก็เย็บปื๊ดเขาใช้เครื่องนะนียอมนะเครื่องที่มันดึงลงมาเนี่ยแล้วก็เย็บปึ๊กปึ๊บ๊๊ป๊พอเย็บปึ๊กปึ๊๊๊เสียงปุ๊บแตกเลยเดนี้เลือดกระฉูดปื๊ดเต็มหมดเลยเนี๋ยนี้หมอขี้ปิดกันเนี่ยพันพันพันไม่อยู่ เอาอีกรอบนี้เย็บใหม่อีกปุ๊บปุ๊ บ, บแตกพูดตีโอตายแต่นี้สามครั้งนะหมอมาถามว่าท่านทนไหวไหมก็ห่ <c oughs> อหมอจะเอาไงก็เอาเออทีนี้นักเข้านักเข้าบอกว่าไม่ได้ไม่ได้การแล้วท่านใช้ไม่ได้แน่นอนใช้ผ้ามาใช้สกอ็อตเทปใช้อะไรมาพันบอกว่า ท่านต้องอยู่โรงพยาบาลประมาณเดือนหนึ่งเอาเครื่องไหมถ้าเป็นยอมเครื่องไหมเ <c oughs> <c oughs> ยู่เดือนนึงโอ้อมาก็ต้องอยู่โรงพยาบาลแล้วก็มือต้องอยู่อย่างเงี้ยยอมเนี้ยหนึ่งเดือนอยู่อย่างเงี้ยเดือนนึงทั้งลูกทั้งเดินก็เหมือนเป็นอะไรก็ไม่ต้องกางแขนอย่างเงี้ย <c oughs> โอ้โหชีวิตอันนี้ครั้งที่หนึ่งอยากรู้ครั้งที่สองอีกไหม <c oughs> ยังยโยไม่อย่างให้อมาเล่าเลยครั้งที่สองทีนี้ครั้งที่สองเอออามาเนี่ยมีคนคนหนึ่งเขาป่วยเนาะแล้วเขาอยากเห็นเนี่ยมาตอนนั้นอามาก็เริ่มป่วยเนี่ยป่วยเนี่ยแต่คนคนนี้เขาเป็นวันโรคระยะทาย้ทายใกล้ตายแล้ว มาก็มันตั้งหลักว่าอีเนี่ยเราไปเยี่ยมเขาอยากจะฟังธรรมเนี่ยอยากจะฟังธรรมมาก็บอกลูกหลานเขาว่าอี้ทไงดีก็บอกเอา้าช่วยเปิดหน้าต่างหน่อยก็แล้วกันแล้วก็จะได้ไปเทศให้เท่ก็นึกในใจไว้กรุณาจิตเนี่ยต้องคุ้มครองเราได้สิใช่ไหแล่ะก็ไปก็เลยไปไปเทศ นั่งคุยกับโยมเา้าสองชั่วโมงเนะให้เขาบันทึกเทปด้วยคุยบอกเขาเ ข, า, ขาใกล้ตายคนใกล้ตา ย, ตายแต่ในขณะที่พูดเนี่ยเอามาวางใจได้บ้างไม่ได้บ้างเห็นชัดเลยบางคราวกลัวรู้สึกรู้สึกกังวลบางคราวไม่กังวลบางคราวกังวลอามานึกแล้วเนี่ยงานเนียติดเชื้อแน่นอนถ้าเราสามารถเดินจิตให้เป็นกรุณาได้อยางติดต่อต่อเนื่องมามั่นใจไม่ดไม่ไม่นั่น เพราะการุณาจะต้องคุ้มครองสิเพราะธรรมะย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมใช่ไหมทีนี้บางคราวเนี่ยมันเป็นโทสะจิตก็มีบางทีกัแต่พยายามและให้กรุณาจิตเกิดเกิดเกิดไปนี่แหละแล้วก็พูดพูดไปพอกลับมาแล้วก็ให้เขาบันทึกเทปนั้นไว้แล้วก็ส่งไว้ให้เขาไว้แจกงานศพลูกเขามีเกคนทีนี้พออยู่ต่อมาสักสองอาทิตย์แค่นั้นอาการปรากฏแล้ว พลปรากฏว่าติดวันในโลกอย่างรุ่มลุลนแรงโอ้โหเดี๋ยนี้หามเข้าโรงพยาบาลหมอไปดูอุ้ยที่คั้วปอดมีปัญหาเขาเองทาไงอะนอกจากเจาะปอดแล้วไม่พอนะต้องไปเจาะตัดขั่วปอดเพราะสงสัยจะมีบะเร็งที่คั่วปอดเอาเลยเรื่องใหญ่ไหมเรื่องใหญ่อีกแล้วเดี๋ยวนี้ามาไปแล้วทีนี้เวลาเจาะเนี่ยย้อมันเจ็บมันเจ็บมากเลยนะัน เวลาเขาใช้เครื่องเจาะเข้าไปเนี่ยเจาะเข้าไปที่ข้างในเนี่ยโหมันเจ็บอย่างมากที่นั้นต้องไม่ทำความแล้วนึกถึงยังไงนะคิดถึงคนที่เจาะเราเขามีเจตนาเพื่อจะรักษามนัสสิการว่าเออขอให้เขาจงปลอดภัยขอให้เขาอย่าได้มีโทษขอให้เขามีความสุขด้วยเจตนาที่เขาเป็นกุศลอย่างนี้ ขอให้เขาอย่าได้มีโทษแต่ไหนไหนเลยขอให้เขาปลอดภัยอย่าได้มาเจ็บปวดอย่าได้มามีทรมานมาโดนเจาะโดนทิ่มโดนแทงอย่างนี้เลยเป็นต้นนี้ต้องวางท่าทีใหญฝนผู้คนก็ผ่านไปพอพอระลึกกุศลได้อย่างนี้ไอ้ความปวดมันจะหายไปไอ้ตัวสุขเวทนามันจะเข้ามาแทนที่ยมไปทำดูได้เลยมันเป็นอย่างนั้นยาจริ ง, รงถ้ากุศลเกิดขึ้นจริงๆมันสุขเวทนามันไม่เป็นทุกข์ ทั้งๆที่มันฉีดยาช้าไม่ได้หรอกในขั้วปอดนั่นเน่ยมันฉีดไหมเล่นถ้าตอนนี้ปอดก็เลยแฟบไปข้างหนึ่งตอนนี้ก็เริ่มขึ้นมาเนี้ยหน่อยแล้วอยากวางครั้งที่สามอีกไหมโอ้โหถ้าเล่าเรื่องตัวเองนี่ยอมจะค่อนข้างเนี่โอ้โหเอามาในผ่านสงครามมามาก นี่มาถึงเข้าใจว่าเจริญเมตตามันดีนะดีครั้งที่สามเนี่ยเอามาเพิ่งไปเผามาไม่นานเนี่ยโยมคนนี้เป็นโรคเลื้อนเอ๊ะเขาเรียกโรคอะไรนะโรคเลื้อนอะไรโรคเลื้อนที่แบบติดต่อเลื้อนมันกินตามมือตามอะไรเนะี่ยหมดกูดหมดเลยโยมคือโยมผู้หญิงคนนี้แต่ก่อนเธอเคยเป็นนางงามประจําจังหวัดสามีเป็นนายอำเภอนะ งามมากแต่ก่อนเธออยู่ต่อมาบิดเบี้ยวหมดเลยยมมือหงอิกงอปากเบี้ยวตาเตอะไปหมดเลยอะไปหมดเลยทีนี้เธอนะ่ยไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าจะเอาไม่กล้าจะใส่บาทพระเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งเธออยากจะใส่บาทมากลูกหลานก็พาออกมาทีนี้พระเดินมาบินาบาทแล้วเธอตัก พาก็มองในบาดเพราะเหลียวไปเห็นเห็นหน้าเธอพาตกใจปิดฝาบาดอย่างแรงทับ <c oughs> พุงทับพีเธอติดบาดพ้าไว้พระร้องสุดเสียงเลยร้องตกใจคือหน้าหน้าคือหน้ากลัวทีนี้กลัวติดเชื้อด้วยไงไอ้โรคเรื้อในใครก็กลัวลูกหลานยังกลัวเลยอยู่ว่าในคนอื่นเลยใช่ไหมเนี่ยต่อมาลูกหลานก็มาเล่าว่าแม่เนี่ยอายุมากแล้วยายเนี่ยอายุมากแล้วเนี่ยอยากให้เห็นพาสักครั้ง มาหาธมาเนี่ยโอหอามาต้องไปนั่งนั่งคิดอยู่พักเอ็ดบอกพระบอกเฮ้ท่านไปอนุเคราะห์เลยไม่มีใครไปสักองเลยยอมไม่ทำไม่ไงเลยอามาก็เอายังไงเราก็ใกล้ตายและเ ว, ว้ไปอนุเคราะห์หน่อยเถอะกรุณนาไปแล้วถือบาทไปนั่งรถไปอยู่กรุงเทพยอมเนี่ยอยู่แถวบางแค พอไปถึงป้าเขาก็ให้แม่เขาอยู่ข้างล่างได้ทุนเนี่ยก็ให้อยู่คนเดียวงั้นก็อยู่ห่างๆกันเงี้นนยมียาให้อะไรเขาคนมีทรัพย์พอสมควรเลยเอามาก็ไปเอองี้โล่งเลยเพราะว่าไม่มีข้างฝาเลยปิดเลยมันโลง่งๆอย่างเงี้ยอามาแล้วจริงๆตอนนั้นอามาได้หลักและหนึ่งจะไม่ทําให้ความกลัวเกิดขึ้นเด็ดขาดจะไม่ให้จิตหวั่นไหวเด็ดขาดเอาแล้วงานเนี้ยทดลองพระธรรมของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า อย่างเราจะเดินจิตให้เต็มที่เลยไม่คิดถึงอะไรจิตจดจอกเรื่องนั้นประดุดดังเหมือนตอนเองไปกู้กลับระเบิดน่ยถามว่ามวัวคิดถึงคนอื่นไหมอ้าถ้าไปนคนที่จะไปถอดชนวนกลับระเบิดเวลาจอกจอดจ อ, ดจอดตรงนั้นเน่ยถามว่ายมตอนนั้นจะคิดถึงใครไหมไม่เลยจิตเนี่ยต้องนิ่งนี่ก็เหมือนกันอัดมาเดินตั้งจิตเบียจแล้วเดินก็ไปหาเธอเลยเข้าไปเบียเร็ก็วางบาทปุ๊บ ปูอาสนะยอมเขามองเห็นโหเขามีเครื่องช่วยฟังมันกินไปเกือบเออยอะยามยอมอาตมามารับบาทยอมนะเออนั่นแหละให้ยอมทําอาหารอยากทําอาหารอะไรเนี่ยนะเขาให้เตรียมมาเธอก็ทำทำทำเส็จเสร็จเอาเลยยอมอยากจะใส่อาหารอะไรใส่เลยให้อุ้มบาสด้วยเธอก็โอ้โหลองไห้แล้วร้องไห้อีก มาเขาโอ้โหชื่นใจมากเลยนั่งเธอก็อุ้มบาทก็เดินเดินถัดถัดถัดไป เ, ออเธอเดินไม่ได้เนี่ยเข้าไปเบสิก็ตักอาหารท่านฉันทุกอย่างได้จริงๆได้ยอมใส่มาเถ อ, อะอาตมามาตั้งใจมารับบาดจริงๆมาบินท บ, บาทมาโปรดเธอก็ใส่ไปร้องไห้ไปนึกในใจคิดโมกหล่นใส่เ็า <laughs> ท เขาปากเขาอะไรเขามันมันโดนนั่นไปหมดเนยะเธอก็ร้องไห้เธอบอกไม่เป็นไรใจมันดีใจดีมั่นนั่นไปเสร็จเธอก็มาประเคนประเคีนเสร็จก็นั่งฉันต่อหน้าเธอเนี่ยแหละให้เธอเห็นฉันวะโอย่างกะเข้าสู่สงคารามรบอยํางไงยัน <laughs> ชีวิตยังไม่เคยมั้งเนี่ยเคยหรือเป่า เสร็จแล้วก็ให้พรเธอแล้วก็มีรูปพระพุทธเมตตาใหญ่ๆ ใ, ให้เธอแล้วบอกเธอให้ระลึกถึงวันนี้เอาเป็นอารมณ์เอาเป็นอารมณ์เธอบอกว่าชื่นใจโอ้พระไม่รังเกียติฉันพระไม่รังเกียจฉันสร้างลูกหลานว่าถ้าตายนิมนพระรูปนี้มาเทศให้ฉัน ไ, ได้เ <c oughs> <c oughs> นี่ยเพิงตายไม่นานฉันต้องไปเทศเนี่ยเออฉันต้องไปเทศโบสถ์เธอโบสถญ์ญาติๆรับเทศ เทศไม่กี่วันมาเนี้ยฉันก็มาโอ้โห oh นี่ไงต้องอาศัยทั้งเมตตาทั้งการุณาเนี่ยเลยนะที่ที่ที่แต่ว่าคือคือการุณาจิตอา อ, อ, อ, อีกครั้งหนึ่งไหม <c oughs> อตอนเปลี่ยนไต เ, เนี้ยฉันเปลี่ยนไตามาสองครั้งนะครั้งที่วิกฤตสุดๆเลยครั้งที่สองเนี่ยวิกฤตคือ ผ่าเปลี่ยนไปแล้วมันมีปัญหาต้องผ่าใหม่ต้องผ่าใหม่หมทีนี้ตอนไปผ่าเนี่ยฉันบอกหมอว่ามันวางยาสลบทุกครั้งบอกครั้งนี้ขอไม่วางได้ไหม <c oughs> อยากจะเห็นอยากจะดูสักครั้งหนึ่งท่านมันไม่ไหวนะห้าชั่วโมงเนี่ยไหวไหวช่วยหน่อยเอะฉันอยากเห็น เขาก็เลยบล็อกครึ่งตัวโอ้โหจริงๆอย่างที่หมอว่าทรมานสุดๆและเป็นบุญอีกอย่างหนึ่งเน่ถ้าครั้งนั้นเนี่ยฉันให้เขาวางยาสลบฉันตายไปแล้วเพราะว่าฉันแพ้ยาที่ผสมสารสกัดจากทะเลแต่นี้เขาเอายาชนิดเนี่ยเป็นที่เป็นยาเกี่ยวกันในเรื่องของ บล็อกหลังฉันเนี่ยทีนี้มันก็กลายเป็นว่ามันตุ่มมันขึ้นข้างในนอุดท่อหลอดลมเนี่ยหายใจไม่ได้ <c oughs> ฉันก็เลย <c oughs> มันมีสเตยอยู่ฉันก็เลย <c oughs> เลยบอกหมอได้ทันว่าเนี่ยรู้สึกถามหมอว่าไอ้ยาสายาที่เกี่ยวกับฉีดเข้าไปเนี่ยมีสารสกัดจากทะเลไันก็าบอกมี ฉ, ฉันแพ้นี่หมอก็เลยช่วยได้แต่มันมีปัญหาก็คือว่าหลังจากนั้นเนี่ยตอนที่เขาผ่าเนี่ยมันไม่เจ็บนะแต่ว่ามันได้ยินเสียงแล้วก็บรรยากาศไม่ดีหนึ่งหมอเขาเปิดเพลงพวกหมอเนี่ยเขาจะเปิดเพลงฟังกันนะเวลาผ่าตัดเนี่ยฉันเพิ่งรู้เนี่ยเขาเป็นสนุกสนานกัเ ข, เข้าไปหมดเลยนะแต่เรานี่จะโอ้ยต้องหวังท่าทีดังใจเสียงอาเมงคบแย่เลย <c oughs> แต่เนี่ยผ่านมาได้ นี่พูดให้ฟังทั้งหมดก็คือว่าฉันเองอยู่กับกับความเจ็บป่วยมาทั้งชีวิตพูดให้ฟังก็คือว่าแม้ทุกวันนี้ไม่มีวันไหนเลยที่ไม่ป่วยดั้นการป่วยการเจ็บป่วยเลยเป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องอยู่กับมันวันต่อวันยังไงวันแล้วมันชื่นใจเลยเนี่ยมันมีความสุขตรงที่ว่าเราได้เห็นมรณะภัยตลอด <c oughs> ได้เห็นมรณะภัยตลอดแล้วก็เออเนี่ยก็ก็เลยเป็นจุดอย่างหนึ่งก็คืออยากเตือนนึกถึงที่พระเจ้าตรัสตอนที่นกุลปีตาขัหาบดีไปเฝ้าพระเจ้าใช่ไหมตอนนั้นก็ไปบ่นกับพระเจ้าบอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าเนี่ยร่วงการผ่านวัยอายุมากแล้วบางคราวก็ป่วยบางคราวก็ไม่ป่วยว่างั้นเถอะก็ไปรายงานกับให้พระเจ้าทราบ ไม่มีโอกาสมาฟ้าพระพุทธเจ้าได้อย่างติดต่อแล้วต่อเนื่องเพราะป่วยนี่แหละพระพุทธเจ้าก็บอกดูก่อนก็แล้วดีท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไนบุคคลบางคนเนี่ยสําคัญว่าเวลานี้ป่วยเวลานี้ไม่ป่วยจะมีอะไรเล่านอกจากความมืดบอดมืดบอดคืออะไรกายนี้กระสับกระส่ายเป็นนิด กายนี้เปล่ะบางมากเหมือนไข่ไก่ไ ข, ข่เป็ดไข่นกยุงเป็นต้ปกติเนี่ยล้มหรือถูกอะไรกระทบกระทั่งนิดเดียวก็ถลอกเป็นแผลกลายนี้กระสรับกระสายเป็นนิดไข่นั้นเน่ยจ ง, งอยปากของยุงยังไม่สามารถเจาะให้ทะลุได้แต่กลายของสัตว์โลกกลายของหมู่สัตว์เนียไม่สามารถที่จะต้านทานจ ง, งอยปากของยุงได้แม้ฉันใด ฉะนั้นกายนี้เปราะบางไม่พปอป่วยอยู่ตลอดเวลาเลยอะไรคือป่วยทายุยจระปัสวะนั้นคือการป่วยที่มันทะลักออกมาอะไรป่วยอีกเย็นบ้างร้อนบ้างต้องคอยประคับประคองต้องคอยต้องคอยดูแลอยู่ตลอดอะไรอีกหิวกร ะ, ก ะ, ะหายกระหายก็ต้องดื่มน้ําตลอดหิวก็คือกินอาหารตลอดกายนี้มันป่วยอยู่เป็นนิดมันกระสับกระสายอยู่เป็นนิด ไม่มีเวลาใดเลยที่กายนี้ไม่ป่วยบุคคลที่สาคัญว่าเวลานี้ป่วยเวลานี้ไม่ป่วยจะมีอะไรนอกจากความโง่มากกว่าความเขาถ้าพุทธพจน์ตรงนี้บอกให้เรารู้ว่ากายป่วยกายกระสรับกระสายอยู่ตลอดเวลาท่านจึงบอกว่าดูก่อนนะักกุลปิตาเพราะฉะนั้นแหละเมื่อกายกระสรับกระสายใจต้องไม่กระสรับกระสายก็แปลว่าอะไรถ้าราคาโทรศโมหะกุ้มรุมแปลว่าใจป่วย รารักโทรสาโมหะไม่กลุ้มรุมแปลว่าใจไม่ป่วยแต่กายนี่มันป่วยมันตลอดเวลาอยู่แล้วมันต้องต้องกระสับกระสายหยุดเบื้องเนืองนิดต้องคอยประคบป ง, งมอยู่ตลอดเวลาต้องคอยดูแลอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็ถ่ายอุจจาระปัสสาวะเดี๋ยวเสเลดน้ำลายก็ทะลักออกมาเหงื่อใครก็ถูกผักออกมาเดี๋ยวก็หนาวบ้างร้อนบ้างหิวบ้างกระหายบ้างไม่มีเวลาใดเลยที่กายนี้จะไม่ป่วยแต่มันจะป่วยแบบ พอทนไหวกับทนไม่ไหวถ้ามันมีอะไรกุ้มรุมหนักขึ้นมาก็คือทนไม่ไหวร้องโ อ, ย, โอยออกมาเนี่ยแปลว่าทนไม่ไหวแต่ถ้าว่ายังพอเป็นไปได้เนี่ยเขแปลว่าพอทนไหวเวลาพุทธเจ้าเจอภิกษุพระุทธเจ้าจะทักยังไงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายยังพอทนได้อยู่หรือหนอนี่บอกว่ามันกระสับกระส่ายแต่พอทนไหวไหมเจอหน้ากันใ ห, ให้พูดอย่างนั้น ถ้าไม่ไหวก็คือร้องไงโอยโอยไงคือไม่ไหวแต่ถ้ายังไม่ร้องเนี่ยแปลว่ายังพอไหวอยู่แต่กระสับกระสายตลอดเวลาฉะนั้นกายป่วยใจต้องไม่ป่วยถ้าใจมีเมตตาใจป่วยหรือไม่ป่วยถ้าใจขาดเมตตาเวลาใดเวลานั้นป่วยฉะนั้นกายกระสับกระสายใจต้องไม่กระสับกระสายใจต้องแข็งแรงใจต้องตั้งมั่นด้วยกุศลด้วยเมตตาเป็นต้นเหล่านี้พอมองเห็นนี่ยัง สรุปแล้วพวกเราที่เป็นคนป่วยที่กายใจป่วยได้ไหมโดนสองเลยนะถ้าใครป่วยสองอ่ะถ้าใครจิตป่วยป่วยไ้มความกำหนัดป่วยไม่ป่วยยินดีเพลิดเพลินความเครียดหงุดหงิดตอนนั้นป่วยไม่ป่วยขดหูท้อถอยป่วยไหมฟุ้งซ่านลาคาญใจลังเลสงสัยป่วยเลยเนี่ยฉะนั้นมีบ้างไหมว่าชั่วโมงหนึ่งเราไม่ให้ใจป่วยแต่กายป่วย มีไม่มีทำได้ขนาดนั้นเลยไม่ธรรมดานะั้เริ่มเก่งกว่าพระแล้ว <c oughs> <c oughs> งั้นกายป่วยใจต้องไม่ป่วยฉะนั้นทำไมต้องมาฝึกนั่นในข้ออุปมาตรงนี้พระเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายหากโจรผู้ประพฤติชั่วใช้เลื่อยที่มีด้ามจับสองข้างเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่ผู้มีใจมีจิตคิดร้ายในพวกโจร น, นั้นไม่ชื่อว่าทาตามคาสอนของเรา ด้วยเหตุนั้นเธอควรประพฤติข้อนั้นอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรปรวนในขณะที่โดนประทุทสลายใดๆก็แล้วแต่ต้องประพฤติปฏิบัติว่าหนึ่งจิตต้องไม่แปรปรวนต้องไม่น่านิวคิ้วขมวดต้องไม่ค้างสันต้องไม่เปล่งวาจาชั่วร้ายออกมาจากอนุเคราะห์ด้วยประโยชน์อยู่อย่างเป็นผู้มีเมตตาคำว่าจากอนุเคราะห์ด้วยประโยชน์ก็คือว่า แม้เขาเรื่อย อ, อวัยวะเราก็จงใช้ใจเนี่ยน้อมประโยชน์ไปให้เขาโดยความปรารถนาขอให้ผู้ที่กำลังตัดอวัยวะเราอยู่นี้จงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดได้ไหมได้ไม่ได้โหดร้ายไหมขอให้ท่านผู้นี้จงมี งานมีเงินพึ่งตนเองได้ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะขอให้ท่านผู้นี้มีเกียรติยศชื่อเสียงขอให้ท่านผู้นี้มีครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขขอให้ท่านพู้นี้มีความเชื่อมั่นในคุณความดีขอให้ท่านพู้นี้ตายไปแล้วอย่าตกนรกขอให้ท่านพู้นี้ดําเนินไปตามมรรคาของพระพินธเจ้าเข้าถึงอนุปาทาริยนิพพานโดยเร็วโด ย, โด ย, โดยสะดวกน้อมประโยชน์ให้เขาแบบนี้ด้วยเมตตาจิตทําได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ชื่อว่าไม่ทําตามคําสอนของเรานี่คือการพร่ำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนเหล่าพิจุ เป็นต้นเลยนะพุทธบริษัทเป็นต้นให้เราท่านทั้งหลายได้ตัณหนักได้ประพฤติปฏิบัติได้วางท่าทีทางใจแบบนี้ไหวไหมครับไหวไม่ <c oughs> ไหวไหวไห่ <c oughs> ห้ามยิ้มเนี่ยไหวไม่ไหวไ ห, <c oughs> ไหวโอ้ชื่นใจเออเนี่ยอยากได้เย็นพระพูดแบบเนี้ย่อมพระ บ, บอกว่าไหวแล้วยอมไหวไหม เอาละเดี๋ยวจะได้มีชั่วโมงทดสอบไปนั่งตากแดดกันคนละชั่วโมงแล้วจะไม่ให้โทรสาเกิดเลยนั่งยิ้มชื่นใจเหงื่อไหลเอาน้ำไปคนละแก้วดีไหมบอกว่าเป็นการปฏิบัติแบบแบบโหดสุดๆในชีวิตเวายมจะจำศูนย์อ่างทองจำท่านเจ้าว่าได้จนตายเลยจะไม่มาอีกแล้ว ให้ถือน้ำคนละขวดระบบนี่เป็นภาคบังคับนะวันก่อนเห็นขอขึ้นกรรมาฐานกับอาจารย์ใช่ไหมล่ะตอนนี้วันนี้อาจารย์จะลงทันทกรรมในฐานะที่เธอทั้งหลายเนี่ยไม่ทําเมตตาจิตให้เกิดติดต่อและต่อเนื่องให้ถือน้ำคนละขวดเป็นนั่งตากแดดคนละสามยี่โมงนั <c oughs> ่นเป็นยังไงอ๋อไหวไหมให้ใ <c oughs> ส่หัวเลยเนี่ยจะไม่ทําความโกรธให้เกิดขึ้นแล้วจะแผ่เมตตาจิตให้ผู้สั่งอย่างติดต่อและต่อเนื่อง ขอให้ท่านผู้สั่งเรามานั่งตากแดดนี้จงเป็นผู้มีความสุขขอให้ท่านผู้สั่งให้เรามานั่งตากแดดนี้จงเป็นผู้มีอายุยืนขอให้ท่านผู้สั่งให้เรามานั่งตากแดดนี้อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยรักษาตนได้พ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงขอให้ท่านจงนิพพานโดยเร็วได้ไหม <c oughs> เออหน้าทดลองนะยิ่ฉันคิดมาได้ยังไง ร, รู้เมื่อกี้แวบขึ้นมาแบบนี้ <c oughs> แล้ว ใช่ไหมเออมันน่าทำจริงๆแปลกยอมเห็นดีด้วยไหมหัวทายหัวเลยเแค่สามชั่วโมงโอ้ไม่เลยนะสามชั่วโมงใช่ไหมกลับไปบ้านนี่โอ้โห ล, ก, ล, ลกหลานญาติมีดพากันแม่ไปทำอะไรมาเป็นการปฏิบัติแบบอุกฤษเขาบอกโกงก้านี่ให้ดูเวทนายังไม่เท่าที่ศูนย์อ่างทอง ไม่วัดอะไรนั้นนิสระนาวนาามเนี่ยโอ้โหจะจะหลุดจะพ้นกันจริงๆเชื่อไปต่อไปมีเวลามีชื่อฉันไปประกาศให้มาปฏิบัติธรรมจะไทยนี่นำปฏิบัติไม่ไปอีกแล้วจะไม่มีมาสักคนเลยเดีเยนแปลกดีเราได้ทฤษฎีแล้วจะ่พอภาคปฏิบัติคนไม่กล้ากันเนาะก็เมื่อกี้พูดอุปมาเรื่อยๆื่อยยังยงกล้าเลย อันนี้ไม่ถึงเรื่อยนะแค่ตากแดดเองเนี่ยเธอควรใส่ใจคำสอนที่เปรียบด้วยเรื่อยนี้อยู่เสมออยู่เสมอนะเธอเห็นถ้อยคําที่มีโทษน้อยหรือมากซึ่งเธออดกลั้นนั้นได้หรือไม่ถามว่าถ้าอดกลั้นอย่างนี้มันจะมีโทษไหมถ้าอดกลั้นอย่างนี้ อดกั้นได้ขนาดว่ามีคนเอาเรื่อยมาตัดสรีระของเธอแล้วก็ไม่ทำความโกรธให้เกิดขึ้นยังแผ่เมตตาน้อม ป, ประโยชน์ไปให้คนที่ปะทุศร้ายเราเนี่ยถามว่ามันมีโทษไหมทำแบบนี้มีโทษหรือมีคนมีไม่ไม่เห็นโทษเลยเพราะเหตุนั้นแหละเธอจงใส่ใจคำสอนที่เปรียบเรื่อยๆนี้อยู่เสมอข้อนั้นจกักมีเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาละนาน เธอได้นิพพานแน่ถ้าเธอถ้าเธอใจถึงขนาดนี้เธอบรรลุธรรมแน่นอนแล้วเข้าสู่ในสารระบบในธรรมวินัยของพระชินพรเจ้าแน่นอนถ้าเธอเอาอุปมานี้ไปเตือนใจเสมอเสมอวันนี้อาจยังไม่กล้านะแต่เอาอุปมาเนี้ยอุปมารเรื่อยๆตัดสรีร้านเนี้ยไปคิดตลอดเวลาเพราะมีใครมาประทุษร้ายเราปุ๊บขนาดเอาเรื่อย นึกถึงอบมาด้วยเรื่อยขนาดเอาเรื่อยตัดคอตัดศีรษะตัดแขนตัดขากําลังเรื่อยอยู่เนี่ยพุทธิย้ายังบอกว่าอย่าทําจิตคิดประทุษร้ายคนที่กาลังประทุษกำลังเรื่อยสลีละเธอถ้าคิดชื่อว่าไม่ทําตามคําสอนของเราเธอจงเอาอุปมา this เอาไปคิดไปใส่ใจเอาไปมนานสิการตลอดเวลาอยู่สม่ําเสมอถ้าเธอทําได้อย่างนี้เธอจะเจริญงอกงามในธรรมวินัยของพระบรมศาสดาอย่างแน่นอนแต่ว่าเราเข้าสู่สารระบบเข้าสู่ความเป็นพุทธบริษัทแบบจริงจังอะไตัวนี้ ยอมว่างฟังแล้วทอ้อไหมเนี่ท้อไหมยอมว่าเกินไปไหมยอมนั่งตาปิบๆเลย ห, หิวน้ำเลยเ ย, ยอมว่าหนักไปไหมหนักไหมหนัก ย, ยอมว่าหนักไปไหมคำสอนอย่างนี้หนักไปไหมหรือในโดยส่วนใหญ่ที่พูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยต้องการเชี่ยเราเห็นบอกว่าความกโกรธเนี่ยนะโดยส่วนใหญ่ก็คือคนโดยทั่วๆไปก็จะยอมเป็นทาส ยอมเป็นธาตุของความโกรธไม่ยอมที่จะลุกขึ้นมาขวนขวาย ใ, ในการที่จะเอาชนะมีอยู่เรื่องหนึ่งนะเดี๋ยวยกตัวอย่างตรงนี้โยมจะได้เห็นชัดเจนว่าพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าเพราะฉะนั้นแหละภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ชำนาญ น, นะชำนาญในการที่จะ ลาบาปอากัษกษรลกรรมันชั่วร้ายทั้งหลายเป็นต้นพิสูจทั้งหลายโดยประการอย่างนี้แหละถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่าเราได้เปิดทางที่ปลอดภัยที่มีสุขแก่พวกเธอทั้งหลายที่ควรดำเนินไปได้ตามใจชอบแล้วแล้วก็ได้ปิดทางที่ไม่สะดวกให้ด้วยคือพระเจ้าเนี่ย อริยมรรคมีองค์8หรือมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยพระพุทธเจ้าเปิดเปิดทางเส้นนี้ให้กับเราแล้วแล้วก็ปิดมิจฉามรรคทางที่ไม่ปลอดภัยทางที่เป็นอันตรายพระพุทธเจ้าก็ปิดปิดทางนั้นแล้วแล้วก็บอกวิธีการบอกวิธีการก็คือว่ากําจัดวิธีการกําจัดตัญหากําจัดอวิชาพระพุทธเจ้าก็บอกวิธีการไว้หมดแล้ว พระพุทธเจ้าบอกว่ากิจใดที่พระศาสดาผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลเอือเ้อเฟื้ออาศัยความอนุเคราะห์ควรกระทําแก่เธอทั้งหลายแต่ถาคตก็ได้กระทํากิจอ น, นั้นแล้วดูก่อนภิกษจนทั้งหลายนุ่นโคนไม้นุ่นเหลือนว่างเธอทั้งหลายจงไปเพ่งพินิษ ด, ด้วยอารามโนปนิชานและลัคนโนปนิชานจงไปเพ่งพินิษในการเจริญสมถะหรือเจริญวิปัสสนานี จะได้ไม่ไม่ต้องมานั่งเสียใจในภายหลังนี้คืออนุสาสนีพร่ำสอนของเราแก่เธอทั้งหลายสรุปแล้วก็คือเราไม่มีพระศ า, าสดาองค์ใดที่จะบริบูรณ์อย่างพระเจ้าของเราใช่ไหมฉะนั้นเวลาที่พระเจ้าอุปมาด้วยเรื่อยอุปมาทั้งสิ่งต่างๆตรงนี้เนี่ยให้เราได้มนัสการตลอดเวลาว่าเนี่ยถ้าเราเจอปัญหาอชีวิตเจอเหตุเหตุการณ์หรือเจอสิ่งกระทบกระทั่งทั้งหลายเนี่ย ก็จงใส่ใจมนสัสการถึงอุปมาก็ขนาดหนักขนาดเนี้ยเรายังสามารถที่พระเจ้าบอกข้ออุปมาเรื่อยๆคนที่เอาเรื่อยมาตัดอ ว, วัยวะของเราก็ไม่ทําจิตให้โกรธกับบุคคลเหล่านั้นเราถ้าสามารถทําได้อย่างนี้มนสัสการบ่อยๆใส่ใจนี่บ่อยๆเชื่อไหมว่าในโลกใบนี้เราผ่านได้หมดไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ ใ, ใดๆเราก็จะเป็นคนที่แข็งแรงและมั่นคงในพระตระนัดไตรย แล้วจะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตทันทีเลยนะมันเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ในขณะนี้เหมือนคนติดยาเสพติดแล้วเลิกทันทีติดเหล้าก็เลิกทันทีติดบุหรี่ก็เลิกทันทีนี่เราติดความโลภความโกรธความหลงใช่ไหมก็สะมาทานเดี๋ยวนี้ว่าเราจะเลิกเราจะเลิกโกรธแต่เราจะเราจะตั้งมั่นในเมตตา เราจะตั้งมั่นในเมตตาแล้วก็ทําเมตตาทำํำคติให้เกิดขึ้นติดต่อและต่อเนื่องแล้วจะเอาเมตตาเป็นธงชัยจะไม่ทิ้งธงชัยนี้เมตตาสําคัญกว่าทรัพย์สําคัญกว่าญาติสําคัญกว่าอวัยวะและสําคัญกว่าชีวิตถ้าถือคติอย่างนี้ได้แล้วก็เด็ดเดียวมั่นคงตั้งมั่นว่าจะต้องให้เมตตาเนี่ยเป็นบุเรยียริกนําพาชีวิตดําเนินไปตามมรรคาของพระเชษฐเจ้านี้ให้ได้โอถ้าคิดอย่างนี้แล้วชัดเลยเี๋นี้ใช่ไหม เขาเรียกว่าถอดรหัสรู้เหตุรู้ผลอะไรชัดแล้วและจนคิดจนตกผลึกแล้วฟังให้เกิดความเข้าใจที่เป็นสุดตรามัยญาปยายเราคิดให้ตกผลึกให้เหตุให้ผลทั้งหมดเลยนะคิดเชื่อมโยงแล้วก็ปฏิบัติบาเพ็ญก็คือฝึกให้ให้ได้สภาวะที่ใจที่เป็นไปกับเมตตารักปรารถนาดีเป็นต้นกาจัดโทสะกาจัดปฏิฆะนะ และในขณะเดียวกันก็ทํำเมตตาให้เกิดขึ้นทําจิตให้ผ่องแผ้วให้ให้สงบเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญเป็นต้นให้ได้แล้วก็ให้เหตุปัจจัยของเมตตาให้เกิดขึ้นอย่างติดต่อและต่อเนื่องถ้าทําอย่างนี้ได้ก็ประสบความสําเร็จนี้ชั่วโมงครึ่งแล้วเนาะสมควรแก่เวลาแล้วมีใครอยากถามอะไรไหมมีไม่มีไม่มีมมนะต่อไปจะพักกันก่อนแล้วก็จะกลับมาปฏิบัติใช่ไหม หรืองั้นก็เดี๋ยวจะให้ใครนำให้ท่านเจ้าวาดนำหรือใครนำก็ได้แล้วแต่หรือยมจะนำกันดีอ้าวยอมั้งนั้นก็ช่วงนี้ก็ไปเข้าห้องน้ำอะไรกันก่อนเนาะกลับมาเดี๋ยวก็จะได้มีการจเจริญกรรมาฐานกันฝึกเมตตากันอ้